จนสามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ในสภาพปกติตลอดไปความเป็นปกติของจิตนั้นความเป็นปกติของจิตในภายในหมายถจิตเข้าอยู่ในสมาธิสลัดอารมณ์ทั้งปวงแล้วจิตเป็นจิตดวงเดียวล้วนๆอันนี้เป็นความปกติของจิตภายในในเมื่อจิตออกมาสู่อารมณ์ภายนอกเช่น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 ก็ได้ื่อว่าเป็นผู้ได้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องด้วยประกาศละชนีได้กล่าวธรรมะบรรยายมาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติด้วยประการละชนเีเอาปัญหามาอ่านเองพระอริยเมื่อนอนหลับยังฝันอยู่เหมือนคนธรรมดาหรือไม่ หรือเป็นนิมิตทุกครั้งไปการฝันการฝันเรียกว่าสุบินนิมิตถ้าคนธรรมดาฝันก็เรียกว่าสุบินนิมิตถ้าพระอริยฝันเรียกว่านิมิตพระอริยการฝันของพระอริยนั้นไม่เหมือนคนธรรมดาสามัญ พระอริยะในเมื่อท่านนอนท่านหลับแต่กายแต่ส่วนจิตไม่ได้หลับอย่างบางท่านอาจจะเคยผ่านความเป็นเช่นนั้นมาแล้วในเมื่อพูดถึงความหลับอาตมาก็จะขอเพิ่มเติมสักหน่อยการภาวนาในเบื้องต้นเช่นเราเราบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธเป็นต้น ตอนที่จิตจะเกิดความสงบลงไปคือการนอนหลับเพราะมันมีอาการเคลิ้ ม, เ, มเหมือนกับจะนอนหลับในเมื่อเคลิ้มแล้วก็มีอาการวูบลงไปพอวูบลงไปหยุดวูบจิตนิ่งในเมื่อจิตนิ่งถ้าหากนิ่งแล้วมืดไปไม่รู้เรื่องอันนั้นเป็นการนอนหลับธรรมดา แต่ถ้าว้าลงไปแล้วจิตนิ่งเกิดสว่างขึ้นมาอันนั้นจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาถ้าหากกำลดจิตดูลมหายใจหรือบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ความหลับจะช่วยให้จิตเป็นสมาธิได้อย่างบางท่าน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 ตอนฝึกจิตนะคะท่านมีอะไรหลายๆอย่างมันแวบขึ้นมานะคะเจ้าควรจะมีุบายอะไรไม่ได้มายังเดียวก็ไม่มีชื่อเดียวชืออะไรคะอ่าอ่การฝึกจิตมีอะไรแวบเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาในการฝึกขัดใหม่ทีนี้ความแวบเข้ามาของของสิ่งที่แวบเข้ามานั่นหมายถึงอารมณ์โดยธรรมดาแล้ว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 วิญญาณหมายถึงวิญญาจิตหมายถึงสิ่งที่นึกคิดสิ่งที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้ร้อนรู้เย็นรู้หนาวอันนี้เรียกว่าจิตทีนี้วิญญาณนี่ก็อาศัยจิตเพราะมีจิตจึงมีวิญญาณทีนี้จิตนี่ดั้งเดิมของมันเป็นตัวรู้ตัวรู้นี่เรียกว่ามโมทธาต และตัวมโนธาตุนี่ก็เป็นตัววิญญาณอีกเหมือนกันเพราะวิญญาณาตัวมโนธาตุซึ่งเรียกว่าวิญญาณนี่เพราะมันเป็นสิ่งที่รู้จักจุติปฏิสนธิรู้จักเกิดรู้จกักตายเช่นอย่างมาเกิดเป็นเกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็มันก็รู้จักจุติคือตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เพราะอาศัยอานาจของกิเลสทีนี้วิญญาณนี่ วิญญาณนี่แบ่งออกเป็นสองภาคภาคหนึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณนี่คือวิญญาณรู้จากจุติปฏิสนธิหมายถึงวิญญาณในปฏิจจสมุ ป, ปาทหรือวิญญาณที่เกี่ยวเนื่องกับจิตที่จะนำไปผุดไปเกิดทีนี้อีกวิญญาณหนึ่งนั้นหมายถึงวิญญาณในเบญจขันธ วิญญาณในเบนจขันนี้หมายเฉพาะตากับรูปกระทบกันเข้าเรียกว่าจักขุวิญญาณเสียงกระทบหูเกิดความรู้สึกขึ้นไดีกว่าโสตะวิญญาณกลิ่นกระทบตาโหกรู้สึกขึ้นเรียกว่าคาณะวิญญาณลิ้นลิ้มรสเรียกว่าชิวหาวิญญาณกายสัมผัสเรียกว่ากายวิญญาณ จิตโลธรรมมาจิตโลอารมณ์เรียกว่ามโหวิญญาณเพราะฉะนั้นในทางจิตวิทยาจิตวิทยานี่หมายถึงวิ ช, ชาการที่ศึกษาให้รู้เรื่องของจิตเป็นวิทยาการอันหนึ่งไม่ได้หมายถึงว่ามาไม่ได้หมายถึงจิตตัวที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดเป็นวิ ช, ชาการที่ จะต้องศึกษาให้รู้เรื่องของจิตจึงเรียกว่าจิตวิทยาอันนี้ขอฝากไว้ให้ท่านพิจารณาเอาเองเพราะอาตมาก็ไม่ได้เรียนจิตวิทยามาทีนี้ในทางพุทธศาสตร์นั้นก็หมายถึงตัวจิตที่รู้นึกรู้คิดและในหลักอภิธรรมที่จําได้ว่าจิตเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสม สภาวะใดเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมคือสั่งสมความดีความชั่วสั่งสมกูศลอากูศุณสั่งสมมิจฉาความรู้สั่งสมสิ่งต่างๆเอาไว้ในจิตสิ่งนั้นเรียกว่าจิตพระพิธรรมท่านว่าอย่างนี้การที่จิตสามารถติดตามอารมณ์ต่างๆไปตลอดเวลาถือว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่จิตที่สามารถตามรู้อารมณ์ต่างๆ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 จิตสามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ในสภาพปกติไม่ยินดียินร้ายต่อเหตุการณ์นั้นๆได้เชื่อว่าจิตเป็นสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐานที่นี้นในเมื่อพูดถึงว่าจิตสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐานบางท่านอาจจะสงสัยว่าจิตในขั้นสมถกรรมฐานนั้นคืออย่างไรจิตในขั้นสมถกรรมฐานนั้นหมายถึงจิต ท, ที่เป็นนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้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 ถ้าหากว่านั่งขัดสมาธิแบบขัดสมาธิแพทย์ตือแบบพระพุทธเจ้านั่งเนี่ยถ้ามันลําบากเราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้จะนอนทำก็ได้ถ้ายิ่งใครนอนทำสมาธิชํานี้ชนานาญยิ่งดีในเมื่อหลับลงไปแล้วจิตจะได้เป็นสมาธิในเมื่อจิตเป็นสมาธิในเวลานอนหลับกายมันจะได้พักผ่อนสบายเพราะองค์ประกอบของความเป็นสมาธินี่กายเบาจิตเบา ในเมื่อกายเบาจิตเบากายก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ถ้าใครนอนพักผ่อนด้วยสมาธิบางทีเป็นโครคภัยไข้เจ็บบางอย่างก็หายได้ปัญหาต่อไปการที่นั่งสมาธิแล้วสามารถรู้ล่วงหน้าอดีตได้ใช่หรือไม่การทําสมาธิแล้วสามารถที่จะรู้อดีตอนาคตปัจจุบันได้แต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็นไปทุกคน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 โลอาสวัคคยญาณโลอุบายทําจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากอาสวะอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นไปได้แต่สําหรับการที่จะไปนั่งดูโน่นดู น, น, ดนี่เช่นนั่งดูปูญ่าตายายหรืออะไรต่ออะไรนั่นมันมันก็ออกจะเฟอ้อไปหน่อยที่แน่จริงก็เวลานี้รัฐบาลกําลังคน้นหาบ่อน้ํามัน ถ้าองค์ไหนเก่งๆแล้วจับไปนั่งซองดูบ่อน้ํามันว่าว่ามันอยู่ที่ตรงไหนรัฐบาลเจาะลงไปทีเดียวได้เลยเนี่ยนะไม่ต้องเปลืองเวลาแล้วไม่ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายถ้าสามารถพิสูจน์ได้อย่างนั้นก็เก่งจริงแต่นี่ส่วนมากไปเก่งเฉพาะแต่สิ่งที่ตาคนธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นด้วยเนี่ยอัชบาก็เลยไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นัก ข้อ 2. นั่งสมาธิแล้วสามารถรักษาโรคในร่างกายให้หายได้หรือไม่อันนี้ขอยืนยันว่าสามารถรักษาให้หายได้ถ้าหากไม่ใช่โรค ก, กรรมจริงๆแล้วหายได้เช่นอย่างอัตมาเคยเป็นวันโลกเมื่ออายุ22ปีพศ 87-88 ปดสิบนาจารย์ฟั้นสอนให้ทำสมาธิรักษาวันโลกล้วก็มาพิจารณาถึงความตาย ก่อนอื่นความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาว่าก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราควรจะรู้ก่อนว่าความตายคืออะไรแล้วก็กำหนดพิจารณาดูความตายในที่สุดจิตสงบลงไปมันก็เกิดรู้ตายขึ้นมาสแสดงว่าจิตของเราวิญญาณออกจากร่างแล้วก็ไปลอยเด็ดอยู่ส่วนหนึ่งมองลงมาเห็นร่างกายนอนเหยียดเ้าอยู่แล้วก็ร่างกายมันก็เกิดเน่าเปื่อยปุพังไปตามขั้นตอนของมันจนกระทั่ง กระดูกแต่ละเอียดละลายหายไปหมดในที่สุดแผ่นดินที่มองเห็นอยู่มันก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวโลวนโลนทีนี้พอรู้สึกตื่นขึ้นมาเจตมันก็ได้ความรู้สึกว่าเออโครคภัยไข้เจ็บมันเป็นอยู่ที่กายมันไม่ได้เป็นอยู่ที่จิตพอหลังจากนั้นมาถ้าเกิดความกังวลเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บตมันจะนึกว่าไม่ได้จ้างมันมาเกิดไม่ได้จ้างมันมาตายมันอยากตายก็เชิญมาเลย มันก็เลยปรงตกอย่างนี้ในมเมจิตไม่กังวลกับความเจ็บป่วยมันปล่อยวางได้โครคภัยไข้เจ็บมันก็สามารถหายได้เหมือนกันทีนี้หลักฐานของการใช้อำนาจจิตรักษาโรคนี่ที่ให้รักษาโรคให้หายได้แม้แต่หลักวิชาสศรศาสตร์เขาก็มีเนอยงามมนต์ต่อดูกนี่คุณหลวงสุภาษ ส, สาใสท่าน เ, าเจนจัดในวิชาถึงนี้เคยใช้รักษาผู้รักษาคน จนได้เป็นลงเป็นข่าวหนังสือพิมพ์อันนี้ก็อาศัยอาศัยกาลังสมาธิเหมือนกันแต่สมาธิที่มาใช้ในทางรักษาด้วยวิชาอาคมนี่อาศัยเพียงแค่ความเชื่อมั่นเท่านั้นไม่ได้หมายถึงสมาธิที่จะต้องไปมองเห็นลนร่างกายเน่าเปื่อยผุพังอะไรอาศัยแต่เพียงสมาธิความเชื่อมั่นเพียงเล็กน้อยอปัญหาต่อไป ขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศจิตจับอยู่ที่เสียงก็รู้สึกว่ามันสาก็รู้สึกว่าเป็นสมาธิดีแต่แต่จิตมิได้จับอยู่ที่เนื้อความของหลวงพ่อพูดอย่างนี้ขอให้หลวงพ่ออธิบายด้วยว่าการทำสมาธิของผู้ถามได้ผลหรือไม่ การฟังไม่ได้ผลใช่ไหมการทาสมาธิในขณะที่ฟังเทศจิตไม่ได้ยึดถ้าหากว่าจิตมีสมาธิแล้วไม่ได้ยึดกับไม่ได้ยึดกับคำพูดหรือขับบรรยายที่พูดพูดกันไปเป็นได้เพียงว่ารู้รับรู้เฉยๆไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าเสียงที่ได้ยินนั้นท่านว่าอะไรบ้าง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 เราอาจจะเคยทําสมาธิบริกรรมภาวนามาจิตมันสงบสว่างมีวิตกวิจารณ์มีปีติสุขเอกคตาตามหลักขององค์ฌานแต่ในเมื่อทําไปทําไปทําไปแล้วเออเคยในขั้นต้นเนี่ยพอนึกถึงอารมณ์เรียกว่าวิตกจิตเคล้ากับอารมณ์เรียกว่าวิจารณ์แล้วมันเกิดปีติเราก็รู้เกิดสุขเราก็รู้